ธรรมบทแปลเรื่องเมนะทกะเศรษฐีภาคที่7เรื่องที่1นึพระศาสดาทรงอาศัยพัทยนครประทับอยู่ณชาติยาวันคือป่ามลิทรงประรบเมนะทกะเศรษฐีพระธรรมเทศนานี้ว่าสุทัสสัง วัชมันเยสังอัตโนโปนะทุธถสังปะเรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยะถาผุสังอัตโนปนะชาเทติกะลิงวะกิตาวาสะโถแปลว่าโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายไฟโทษของตน เห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลลปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนารานกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนนั้นได้ยินว่าเมื่อพระาศาสดาเสด็จจาริกไปในอังกุตตาปะชนบท ทรงเห็นอุปนิสัยโซดาปฏิผลของคนเหล่านี้คือเมนทักกาเศรษฐีหนึ่งภรรยาของเมนทักกาเศรษฐีชื่อว่านางจันทปตุมมาหนึ่งบุตรชื่อจนันนชัยเศรษฐีหนึ่งลยิงสะพายชื่อนางสุมนาเทวีหนึ่งและหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งทาาชื่อปุณณะหนึ่ง จึงเสด็จไปสู่พัตยานก่อนประทับอยู่นะชาติยาวันเมนะตะกะเศรษฐีก็ได้ทราบการเสด็จมาของพระาศาสดาตอนเหตุที่ได้นามว่าเมนะตกะเศรษฐีถามว่าก็เพราะเหตุไรเศรษฐีนั้นจึงชื่อว่าเมนะตะกะเศรษฐีแก่ว่าได้ยินว่า ที่หลังบ้านของเศรษฐีมีแพะทองคำขนาดเท่าช้างเท่ามา้าเท่าโคอุสภะจำแรกแผ่นดินเอาหลังดุนหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณแดกรีตมีกลุ่มได้ห้าสีอุดปากของแพะเหล่านั้นอยู่เมื่ออยากได้เพสัตมีน้ำใสน้ำมันน้ำพึ่ง และน้ำอ้อยเป็นต้นหรืออยากได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเงินและทองเป็นต้นก็ดึงได้ออกจากปากของแพะเหล่านั้นจากปากแพะตัวเดียวก็มีนไำใสน้ำพึ่งน้ำมันน้ำอ้อยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเงินและทองไหลออกเพียงพอแก่ชาวชุมพูทธวีบจำเดิมแต่นั้นมา เศรษฐีนั้นจึงได้ชื่อว่าเมณทกะเศรษฐีถามว่าก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างไรแก่ว่าได้ยินว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงบรรนามว่าวิปัสสีเมณทกะเศรษฐีเป็นหลานของกุดุมพีชื่อว่าอาวโรชา มีชื่อพ้องกันกับลุงครั้นนั้นลุงของเขาคิดจะสร้างพระคันทั ก, กุดีถวายพระาศาสดาเขาจึงไปหาลุงแล้วกล่าวว่าลุงเราสองคนมาสร้างร่วมกันเถอะในเมื่อถูกลุงห้ามว่าเราจะสร้างคนเดียวไม่ร่วมกับคนอื่นจึงมีความคิดว่าก็เมื่อลุงสร้างคันทั ก, กุดี ในที่นี้แล้วเราควรสร้างศาลารายในที่นี้ดังนี้แล้วจึงให้คนนำเครื่องไม้มาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบุ ด, ด้วยทองคำต้นหนึ่งบุ ด, ด้วยเงินต้นหนึ่งบุ ด, ด้วยแก้วนีให้ทำคือพึงบานประตูบานหน้าต่างกรอนเครื่องมุงและอิฐทั้งหมด บุวด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นเช่นเดียวกันให้ทําศาลารายด้วยแก้เจตประการสำหรับพระตถาคตที่ด้านหน้าพระคันธกุฎีบนหลังขาศาลารายนั้นมีจอมยอดสามยอดที่ทําด้วยแท่งทองคำอันสุกแท่งแก้ปลึกและแท่งแก้ประพานให้สร้างมนดบประดับ ด้วยแก้วตรงกลางศาลารายที่มือนดบให้ตั้งธรรมธาตุไว้ด้วยเท้าธรรมธาตุนั้นทำด้วยแท่งทองสีสุกแม่แคร่สีด้านก็เหมือนกันและให้หล่อแพรทองคำสี่ตัวตั้งรองที่เท้าทั้งสี่แหงอาสนะให้หล่อแพรทองคำสองตัวตั้งไว้ใต้ตังสาหรับรองเทา้า ให้หล่อแพะทองคำหกตัววางล้อมมนดบให้ถักธรร ม, มาต์ด้วยเชือกได้เส้นเล็กก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกทองตรงกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกแก้มุกดาข้างบนพนักแห่งธรร ม, มาตนั้นทำด้วยไม้จันทร์ครั้นสร้างศาลารายเสร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะฉลองศาลา ได้นิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุห8ล้านแปถวายทานตลอดสี่เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีบอลในทานครั้งนั้นเฉพาะไตรจีบอลที่ถวายภิกษุใหม่ในสง์มีราคาเป็นพันเขาทำบุญกรรมในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้ว ตายจากชาตินั้นแล้วเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่หลายชาติครั้นในพัทรักับนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโปรคามากในกรุงพารานสีได้นามว่าพาราณสีเศรษฐีตอนเศรษฐีประสบชาตะกายวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาพบปูโรหิต จึงถามว่าท่านอาจารย์ตรวจดูเริกยามบ้างหรือไม่ปโรหิตตรวจดูครับจะทำอะไรหรือเสถียก็แล้วชนบทจะเป็นอย่างไรปโรหิตจะมีภัยอย่างหนึง่งเสถียรภัยอะไรหรือปโรหิตชาติกาภัยภัยคือความอดอยากท่านเศรษฐีเศรษฐีแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อีกสามปีนับแต่บัดนี้ไปเศรษฐีเมื่อฟังคำนั้นแล้วให้คนงานทำากษตกรรมเป็นมากใช้เงินที่มีในบ้านทั้งหมดซื้อข้าเปลือกอย่างเดียวมาไว้ให้สร้างฉาง1250้าฉางใส่ข้าเปลือกจนเต็มฉางทั้งหมดเมื่อฉางไม่พอก็ใส่ไว้ในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นจนเต็ม ข้าวเปลือกที่เหลือให้ขุดหลุมฝังไว้ในแผ่นดินข้าวเปลือกที่เหลือจากฝังไว้ก็ให้ขย้ำกับดินชาบทาฝาไว้ต่อมาเมื่อภัยคือความหอดอยากมาถึงเศรษฐีก็บริโภคข้าวเปลือกที่เก็บไว้เมื่อหมดข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในช้างและในตุ่มเป็นต้นจึงให้เรียกพวกบริวารมา แล้วสั่งว่าไปเถิดพ่อทั้งหลายพวกเจ้าไปอยู่ตามภูเขาถ้าอยากจะมาหาเราก็จงมาในเวลาที่พิกษสาหาได้ง่ายถ้าไม่อยากมาก็จงอยู่ในที่นั้นเถิดจนเหล่านั้นทำตาม ท, ท, ที่เศรษฐีบอกมีท่าผู้ทําการรับใช้ชื่อว่าปุณณนะคนเดียวคงอยู่กับเศรษฐี จึงเหลือคนอยู่ห้าคนเท่านั้นคือเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีและสะพายของเศรษฐีและนายปุณณ์ น, นั้ น, น, นเมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมที่พื้นดินหมดแล้วพวกเขาก็พังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาออกมาแช่น้ําเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวเปลือก ที่ได้จากฝานั้นครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นเมื่อหมดดินเกิดความหิวจนสุดจะทนได้จึงพังดินที่เหลือติดข้างฝาออกแช่น้ำได้ข้าวเปลือกประมาณกึ่งอาละหกะคือประมาณสองทนานต่ำแล้วได้ข้าวสารประมาณทนานหนึ่ง เก็บไว้ในหม้อใบหนึ่งเพราะกลัวถูกขโมยโดยคิดว่าในเวลาเกิดชาตกาภัยคือภัยแรงนี้มักมีพวกโจรมากดังนี้แล้วจึงปิดฝาฟังดินไว้ลลำดับนั้นเษตีกลับจากที่เฝ้าราชาพูดกับนางว่านางผู้เจริญฉันหิวแล้วมีอะไรกินบ้างไหม นางไม่ได้บอกสิ่งที่มีว่าไม่มีกล่าวว่านายมีข้าวสารอยู่ธนานหนึ่งเสถีอยู่ที่ไหนล่ะฉันฝังไว้เพราะกลัวถูกขโมยถ้าเช่นนั้นจงกุดมาหุงเถิดก็ถ้าต้มข้าวต้มก็จะพอกินสองมือ้อถ้าหุงข้าวสวยพัดก็จะพอกินมื้อเดียวเท่านั้นจะให้หุงต้มแบบไหนล่ะนายเสรี๋ี ปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีพวกเราเมื่อกินข้าวสวยแล้วก็จะตายก็ยอมหล่นจงหุงข้าวสวยเถอะภริยาของเศรษฐีนั้นหุงข้าวสวยแล้วแบ่งออกเป็นห้าส่วนคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไม้ตรงหน้าเศรษฐีตอนเศรษฐีถวายพัดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ก็ในขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาขันธมาศพึ่งออกจากสมาบัติก็มีคากล่าวกันว่าเวลาเข้าสมาบัติความหิวย่อมไม่รบกวนเพราะผลแห่งสมาบัติแต่ว่าเมื่อออกจากสมาบัติแล้วย่อมเกิดความหิวอย่างรุนแรงเป็นราวกับว่าเผาแผ่นท้องอยู่เพราะฉะนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจะตรวจดูสถานที่ที่จะได้อาหารและไปอย่างที่นั้นก็ผู้ถวายทานแกพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในวันนั้นยอมได้สมบัติเช่นตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นย่างได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นตรวจดูด้วยทิพยะจักสุขคิดว่า ชาตกะภัยเกิดขึ้นทั้งชมบุตรวีบและในเรือนเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกด้วยข้าวสารทนานเดียวสำหรับคนห้าคนเขาจะมีศรัทธาทำการสงเคราะห์เราหรือไม่นาอดังนี้ได้ทราบว่าพวกเขามีศรัทธาและจะทำการสงเคราะห์ได้จึงถือบาทและจิวรไปแสดงตน ยืนอยู่ที่ประตูเรือนตรงหน้าเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเข้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าก็เราประสบชาตกาิกภไพเช่นนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานในชาติก่อนก็แลอาหารพัดนี้ช่วยเราได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนอาหารที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจะนำประโยชน์เกื้อกูลมา แกเราหลายโกรธกับ น, น, นี้แล้วจึงเลื่อนถาดอาหารออกเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้หด้วยเบญจางคประดิษฐ์นิมนต์ให้ข่าวบานเมื่อท่านนั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าให้ท่านวางถาดอาหารไว้บนต่างทองแล้วหยิบมาตักใส่บาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่ออาหารเหลืออยู่เครื่องหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเอามือปิดบาทไว้ที่นั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ น, นี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่หิงด้วยข้าวธนานเดียวสำหรับคนห้าคนกระผมไม่อาจแบ่งอาหารนี้ให้เป็นสองส่วน ขอท่านอย่าทำการสงเคราะห์กระผมในโลกนี้เลยกระผมอยากจะถวายให้หมดแล้วได้ถวายอาหารทั้งหมดครั้นถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอข้าพเจ้าอย่าได้พบชาติกาไยเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยตั้งแต่บัดนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าจงสามารถ ให้ข้าวและอาหารเพียงพอแกช่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดไม่ต้องทำการงานก็เลี้ยงชีพได้เมื่อข้าพเจ้าใช้ให้คนทำความสะอาดฉาง1250ช้าฉางสนานสีสันนั่งอยู่ที่ประตูฉางแงนดูเบื้องบนเท่านั้นสายข้าวสาลีแดงพึ่งตกลงมาจนเต็มทุกฉาง และผู้นี้จงเป็นภรรยาผู้นี้แหลจงเป็นบุตรผู้นี้แหลจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหลจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในทุกชาติที่ข้าพเจ้าเกิดตอนทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความอยู่รบกวนเราก็กินไม่ลง ใ น, นนี้แล้วจึงถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เริญจำเดิมแต่นี้ขอดิฉันอย่าได้พบเห็นชาตกภไพเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยอันหนึ่งถ้าเมื่อดิฉันวางถาดอาหารไว้ข้างหน้าให้อาหารแก่ชาวชมบูทวีปทั้งหมด ถ้าดิฉันยังไม่ลุกขึ้นตราบใดขออาหารตรงที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเต็มอยู่อย่างเดิมตราบนั้นท่านนิแลจงเป็นสามีผู้นิแลจงเป็นบุตรผู้นิแลจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นิแลจงเป็นทาาของดิฉันฝ่ายบุตรของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่า จาเดิมแต่นี้ไปขอข้าพเจ้าจะได้พบเห็นฉาทะกะัยเช่นนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าถือถุงกระหาปณะหนึ่งพันให้กระหาปณะนะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดขอถุงนี้จงเต็มอยู่เช่นเดิมท่านทั้งสองนี้แลจงเป็นมารดาบิดาผู้นี้จงเป็นภรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้า ส่วนลูกสะใภ้ของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนแบ่งของตนแก่พระปัจเจกผู้เช้าตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอที่ฉันอย่าได้พบเห็นชาตะกะภัยเช่นนี้เลยอหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงเข้าเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้ข้าวและอาหารแก่ชาวชมพูทวีต ท, ทั้งหมด ขออย่าได้เกิดความหมดสิ้นท่านทั้งสองนีแลจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้แลจงเป็นสามีผู้นี้แลจงเป็นทาต่อองที่ฉันส่วนทาต่อองเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแกพระปัจเจกผูทพรเจ้าและตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอข้าพระเจ้า อย่าได้พบเห็นชาตะกะัยเช่นนี้เลยคนทั้งหมดนี้จงเป็นนายและเมื่อข้าพเจ้าถายนาขอให้เกิดรอยเจ็ดรอยเท่าเรือโกลนคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยในท่ามกลางหนึ่งรอยวันนั้นถ้านายปุณณนะปรารถนาตำแหน่งเซนาบดีก็จะได้สมปรารถนาทีเดียว แต่ด้วยความรักพวกเจ้านายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าเมื่อคนทั้งหมดกล่าวจบพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าและคิดว่าเราควรทำจิตของคนเหล่านี้ ให้เริ่มสายยิ่งขึ้นดังนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าขอให้ชนเหล่านี้เห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศแล้วได้ห อ, อกไปคนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่ทีเดียวพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไปแล้วได้แบ่งพัดนั้นครับพระปัจเจกพุทธเจ้าห้ารอองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น นั้นเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธชาติทั้งหมดคนเหล่านั้นได้ยืนมองดูอยู่ตลอดตอนอันนี้สงของการถวายทานเมื่อเลยเวลาเที่ยงภรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดฝาหว่างใบฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นจึงนอนหลับไป เมื่อตื่นขึ้นในเวลาเย็นเสตีกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เริญฉันหิวเหลือเกินมีข้าวตังเหลือติดก้นหม้อบ้างไหมภรรยานั้นทั้งๆ ท, ที่อยู่รู้ว่าตนล้างหม้อตั้งไว้ก็ไม่ตอบว่าไม่มีคิดว่าเราไปเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอกในนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปยังที่เก็บหม้อข้าว เปิดหม้อข้าวแล้วทันใดนั่นเองหม้อข้าวเต็มด้วยพัดมีสีดุดดอกมะลิตูมได้ดุนฝาหม้อขึ้นมาภรรยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเกิดปีติสั้นทั่วตัวกล่าวกับเศรษฐีว่านายลุกขึ้นเถอะดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นเต็มด้วยพัด มีสีดุดดอกมะลิตูมบุญควรทำจริงๆทานควรให้แท้ๆเชิญลูกขึ้นมารับประทานเถิดนายภรรยานั้นก็ได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้วนางจึงนั่งบริโภคกับลูกสะพ้ยแล้วได้ให้พัดแก่นายปุณณนะพัดตักเท่าไรเท่าไร ก็ไม่หมดปรากฏว่าแหว่งเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นในวันนั้นเองช้างเป็นต้นก็กลับเต็มเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละนางให้เป่าร้องไปทั่วเมืองว่าพัดเกิดในเรือนของเศรษฐีแล้วผู้ต้องการข้าวและอาหารจงมารับเอาคนทั้งหลายรับ เอาข้าวและอาหารจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วเพราะอาศัยเศรษฐีนั้นชาวชมพูจะวีบทั้งสิน้นจึงรอดตายแล้วแหละตอนเศรษฐีและกณะไปเกิดที่พัตยานกรเศรษฐีนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในเทวโลกวนเวียนเกิดอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลกในพุทธุปประบาทการนี้เกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานกรฝ่ายภรรยาของเขาก็เกิดในสกุลมีโภรคามากเมื่อเจริญว้แล้วก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นแหละแพะที่มีคุณสมบัติดังกล่าวผุดขึ้นหลังบ้าน เพราะอาศัยคำในการกรของเศรษฐีนั้นแม่บุตรก็ได้เป็นบุตรสภัยก็ได้เป็นสภัยธาตุก็ได้เป็นธาตุของเศรษฐีและภรรยานั่นแหละต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีอยากทดลองบุญของตนจึงให้คนทำความสะอาดช้าง1250สราช้างสนานศีรษะแล้ว นั่งที่ประตูช้างแงนดูท้องฟ้าช้างทั้งหมดก็เต็มด้วยข้าวสาลีแดงนั่งที่กล่าวมาเศรษฐีนั้นอยากทดลองบุญของชนที่เหลือด้วยจึงบอกแก่ภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญของตนดูบ้างลำนั้นภริยาของเศรษฐีนั้นแต่งตัวพร้อมแล้ว เมื่อมหาชนกําลังมองดูอยู่นั่นแหลใช้ให้คนตวงข้าวสารให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ที่ซุ้มประตูถือท้๊ะีทองคําแล้วให้เป่าร้องว่าผู้ต้องการพัดจงมาแล้วตักใส่จนเต็มภาชนะที่เขานํามา เมื่อนางนั้นให้ทั้งวันก็ปรากฏว่าแบ่งเฉพาะตรงที่ตักด้วยทะปีเท่านั้นลายดอกบัวเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายลายดวงจันทร์เกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาพระนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทบปีด้วยมือขวาถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในปางก่อนด้วยประการดังนี้แลก็เพราะเหตุที่นางถือกระบองกรองกรองน้ําถวายแดดพิษุเดินไปเดินมาฉะนั้นลายดวงจันทร์จึงเกิดเต็มฝ่าเท้าข้างขวาของนางลายดอกบัวจึงเกิดจนเต็มฝ่าเท้าข้างซ้ายของนางนั้นเหตนั้นญาต์ทั้งหลายจึงตั้งชื่อนางว่า จันทะปะตุ ม, มาแม้บุตรของเศรษฐีสนานศีรษะแล้วถือถุงกระหาปณะพันหนึ่งแล้วกล่าวว่าผู้ต้องการกระหาปณ ะ, ะจงมาแล้วแจกให้จนเต็มภาชนะที่เขานำมาใส่กระหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยู่เต็มตุงนั่นเองฝ่ายลูกสบายของเศรษฐีนั้นแต่งตัวพร้อมแล้ว ถือเอากระบุงข้าวเปลือกนั่งกลางแจ้งกล่าวว่าผู้ต้องการข้าวและอาหารจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่เขานำมาใส่กระบุงข้าวเปลือกก็คงเต็มอยู่ตามเดิมแม้ตาดของเศรษฐีแต่งตัวพร้อมแล้วเทียมโคเข้ากับแอกทองคำใช้เชือกทองคา ถือด้ามประตักทองคำเอานิ้วทั้งห้าจุ่มของหอมแล้วเจิมโคสวมปลอกทองคำที่เขาโคไปนาและไถานาเกิดมีรอยแตกออกเจ็ดรอยคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยตรงกลางหนึ่งรอยชาวชมพูทวีปทือเอาสิ่งของเช่นพัดพืช เงิน่องเป็นต้นจากเรือนของเศรษฐีเท่าที่ตนพอใจทีเดียวเศรษฐีผู้มีอนุภาพมากดังกล่าวทราบว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงคิดว่าเราจะไปรับเสด็จพระศาสดาในนีน้แล้วขณะเดินทางไปได้พบพวกเดียรตีในระหว่างทาง ถึงถูกพวกเดรตีห้ามว่ากระเบดีท่านเป็นกิติยาวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วเป็นอันทำรรจะไปหาพระสมณโครมผู้เป็นอกิริยะวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วไม่เป็นอันทำรรจะไปหาทำไมเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้สนใจคำของเดรตีเหล่านั้นไปถวาย บังคมพระาศาสดาแล้วนังน่งนาที่สมควรข้างหนึ่งตอนโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายลำดับนั้นพระาศาสดาได้ตรัสนุบุ พ, พีิกถาแก่เศรษฐีนั้นในเวลาจบเทสนาเศรษฐีนั้นบรรลุโซดาปฏิผลแล้วกราบทูลพระาศาสดา ถึงข้อที่เดร์ธีกล่าวตีเตียนและห้ามไม่ให้มาเฝ้าดังนั้นพระศ า, าสดาจึงตรัสกับท่านเศรษฐีนั้นว่าก็ะดับดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ไม่เห็นโทษของตนแม้มีมากเที่ยวโปรยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีก็ทํามไม่มีเรากับบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นฉะนั้น ในนี้แล้วจึงตรัสพระกาถานี้ว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าคนนั้นชอบโปรยโทษของคนอื่นเหมือนคนโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนไว้เหมือนผา น, นกปกปิดร่าง ด้วยเครื่องพรางกายฉะนั้นบาลีว่าสุทัสสังวัชะมันเยสังอัตโนโปนทะทุตัสสังเปเรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยะถาผูสังอัตโนปนชาเทติกะลิงวะกิตวาสโถ ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุทัสสังแปลว่าเห็นได้ง่ายหมายความว่าโทษคือความพลั้งพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยก็เห็นได้ง่ายคืออาจเห็นได้ง่ายทีเดียวส่วนโทษของตนแม้ใหญ่ยิ่งก็เห็นได้ยากคำว่าเปรเรสังฮิแปลว่าของคนอื่น หมายความว่าด้วยเหตุดังกล่าวบุคคล น, นั้นจึงโปรโยโทษของคนอื่นในท่ามกลางทรงเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนบนที่สูงแล้วโปรโยแกลบลงมาฉะนั้นคาว่ากะลิคืออัตภาพในคาว่ากะลิงวะกิตวาสะโถเหมือนพรานนกปกปิดร่างด้วยเครื่องพรางกายฉะนั้นนี้ ด้วยสามารถทำร้ายพวกนกได้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้ที่เพอหักได้เป็นต้นชื่อว่ากิตาวาคื อ, อเครื่องปรางกายพรานกชื่อว่าสะโถพรานนกนั้นมีคําอธิบายว่าพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าจึงปกผิดร่างกายด้วยเครื่องปกปิดฉันใด เขาก็ปกปิดโทษของตนจนันนน้นในเวลาจบเทศนาข้นเป็ น, นันมากมรุโซดาปฏิปลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องเมนทกะเษตี